เพราะฉะนั้นมาอธิบายคำว่าพุทธโธนี้ว่าเป็นผู้ตื่นดังกล่าวก็ย่อมเหมาะทำให้เห็นว่าเป็นพระพุทธคุณบทที่แตกต่างจากบทวสัมมาสัมพุท ธ, ธะ ทั้งไม่ผิดปัญญะคือถ้อยคำด้วยคำว่าตื่นหรือคำว่ารู้นี่เมื่อพิจารณาแล้วก็ย่อมจะเห็นว่ามีเนื้อความอย่างเดียวกันแต่ต้องเข้าใจว่าคำว่าตื่นนี้ ไม่ใช่หมายความว่าตื่นเต้นตื่นข่าวเพิ่งเป็นความหลงอย่างคำว่ามงคลตื่นข่าวคือการหลงถืออะไรว่าเป็นมงคลตามข่าวที่ลือกันที่พูดกัน มี่ามงคลตื่นข่าวดังนี้ไม่ใช่ความหมายว่าตื่นในที่นี้คำว่ า, าตื่นในที่นี้หมายถึงตื่นจากหลับดังที่เรียกกันว่าตื่นนอน ตื่นจากหลับเหมือนยังนอนหลับอยู่นั้นก็ไม่รู้อะไรเหมือนอย่างคนที่นอนหลับทั่วไปก็ไม่รู้อะไรร่างกายพักผ่อน ตาหูก็พักผ่อนนอกจากจะฝันเห็นแต่ก็เรียกว่าเป็นความฝันไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินอย่างคนที่ตื่นอยู่โดยธรรมดา เมื่อตื่นนอนคือตื่นจากหลับตาจึงจะเห็นอะไรหูได้ยินอะไรตามปกติธรรมดาดุะนั้นตื่นดังกล่าวนี้จึงมีความหมายว่ารู้นั่นเอง เหมือนนอนหลับไม่รู้ไม่เห็นอะไรตื่นขึ้นมาจากหลับจึงเห็นจึงรู้อะไรได้เป็นปกติดังที่ทุกคนรู้เห็นอยู่ดังนี้เรียกว่าตื่นก็คือรู้นั่นเอง พระพุทธเจ้าทรงเป็นภูติตื่นแล้วก็คือรบรู้จบสิ้นแล้วรู้พ้นแล้วดังกล่าวนั้นและทรงเป็นภูเบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายเต็มที่ เหมือนอย่างดอกบัวที่บานเต็มที่และแม้คำว่าเบิกบานอันเทียบเลยดอกบัวบานเต็มที่นี้ก็มีความหมายถึงรู้จบสิ้นหรือรู้พ้นดังกล่าวอีกนั่นแหละ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาดูสัตวโลกที่แรกทรงเห็นว่าธรรมะที่เกิดรากรลุ่มลึกจะไม่มีผู้อื่นรู้ตามได้จึงได้ทรงน้อมพระทัย ไปเพื่อที่จะมีความขนขวายน้อยคือไม่สอนเมื่อไม่สอนก็ไม่ตังพุทธศาสนาจึงเท่ากับว่าจะทรงเป็นพระประเจกับพุท ธ, ธละแต่เมื่อในทรงพิจารณาดูสัตว์ตวันโลกก็ทรงเห็นว่ามีหลายจำพวก จำพวกที่สามารถรู้ได้เร็วเหมือนดังดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วต้องแสงอาทิตย์ก็จะเบิกบานขึ้นทันทีดังนี้ก็มีจำพวกที่จะต้องอธิบายจึงจะรู้ เหมือนอย่างดอกบัวที่เสมอน้ำวันรุ่งขึ้นก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นทันทีดังนี้ก็มีจำพวกที่ต้องอธิบายบ่อยๆแนะนำบ่อยๆจึงจะรู้ได้ เหมือนอย่างดอกบอัวที่อยู่ใต้น้ำลงไปอีกวันสองวันก็จะโผล่ขึ้นมาบานได้ก็มียางพวกที่ทึบมากนักไม่อาจที่จะรู้ได้เหมือนอย่างดอกบอัวที่อยู่ก้นสระจะต้องเป็นอาหารของปลาเตา่าไม่อาจที่จะโผล่ขึ้นมาบานได้ดังนี้ก็มี เมื่อทรงเห็นดังนี้จึงได้ทรงทาสังขาราธิฐานอธิษฐานพระหัตไทยที่จะดำรงชีวิตสังขารโปรดสัตวโลกคือโปรดเวในญยนิกร โมทนที่จะพึงแนะนำอบรมได้สามยมพวกข้างตนนั้นต่างพุทธศาสนาให้ฝังรากลงในโลกต่างบทพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาขึ้นแล้วจึงจะเสด็จดับขันธะปฏิธันธน์ดังนี้เรียกว่าทรงธรรมสังฆาราธิฐาน ตั้งประเทศไทยที่จะดำรงชีวิตสังขารประกาศพระพุทธศาสนาะฉะนั้นพุทธโธภูเบิกบานแล้วก็เหมือนอย่างดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำต้องแสงอาทิตย์บานขึ้นแล้วหลวงพุทธเจ้า ทรงเป็นดอกบัวดอกแรกในโลกที่ได้รับแสงธรรมเบิกบานขึ้นแล้วในโลกและก็ทรงสั่งสอนเวไนยนิกรนู่ชนที่จะพึงแนะนำได้ให้บานตาม เพราะฉะนั้นจึงทรงได้พนา ม, มาพุทธโธต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปมันนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อนมนมัสการพระปูมีประภาฐอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสารณนะ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 ภูตื่นพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นภูรูจบสิ้นเป็นภูรูพ้นจนทรงเป็นภูตื่น จากความหลับคือกิเลสอันได้แก่อวิชชาความไม่รู้ในสัจจ์อันเป็นยัยยธรรมธรรมะที่พึงรู้ โมหะความหลงถือเอาผิดพร้อมทั้งกิเลสทั้งปวงโดยสิ้นเชิงจึงทรงเป็นผู้พ้นจากมายา สิ่งหลอกลวงหรือความหลอกลวงคือกิเลสฉะนั้นจึงทรงเป็นผู้ตื่น ด้วยความรู้อย่างสมบูรณ์ในยยธรรมธรรมะที่พึงรู้คือสัจจะทั้งหลายอันมายาสิ่งหลอกลวงหรือความหลอกลวงนี่ เป็นส่วนทางกายก็มีเป็นส่วนทางจิตก็มีที่เป็นส่วนทางกายนั้นดังเช่นความรู้ทางประสาทของร่างกายทั้งหลาย ที่รวมเข้าก็เป็นจะขูกประสาทประสาทตาที่ทำให้เห็นหรือที่เป็นเครื่องเห็นโสตรประสาทประสาทหู ที่ทำให้ได้ยินหรือเป็นเครื่องได้ยินคณะประสาทประสาทจมูกที่ทำให้ได้กลิ่นทราบกลิ่นหรือเป็นเหตุทราบกลิ่น คิวหาประสาทประสาทลิ้นที่ทำให้ได้รสสาบรสหรือเป็นเครื่องได้รสสาบรสกายประสาทประสาทกายที่ทำให้ได้รับถูกต้อง รู้ทราบสิ่งถูกต้องประสาททั้งห้านี้ย่อมรับวิสัยคืออารมณ์อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรส และผลทัพะอยู่เป็นประจำความรู้ที่ได้ทงประสาททั้งห้านี้ปรากฏเป็นการเห็นการได้ยินการได้ทราบกลิ่นรสผลทัพบะต่างๆ ของทุกๆคนอยู่เป็นประจำและความรู้ทางประสาททาธาตดังกล่าวตามที่ปรากฏเช่นการเห็น รูปก็เป็นรูปที่งมบ้างไม่งมบ้างหรือที่เรียกว่าถูกตาบ้างไม่ถูกตาบ้าง ความรู้ทางหูในเสียงทางโสตรประสาทก็ปรากฏเป็นเสียงที่ไพเราะ บ, บ้างไม่เพเระ บ, บ้างที่แรงบ้างที่เบาบ้างที่ถูกหูบ้างไม่ถูกหูบ้าง ความรู้ที่ได้ทางจมูกทางประสาทคือกลิ่นต่างๆก็เป็นกลิ่นที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างความรู้ที่ได้ทางลิ้นหรือคิวหาประสาท ก็ปรากฏเป็นรถที่ดีบ้างไม่ดีบ้างที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างที่อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างความรู้ที่ได้ทางกายคือกายะประสาท ก็คือโพธิภะสิ่งที่ถูกต้องต่างๆก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งถูกต้องที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างความรู้ที่ใดเหล่านี้ดังกล่าวกล่าวได้ว่าเป็นมายาอย่างหนึ่ง ยังไม่ใส่สัจจะคือความจริงเป็นมายาที่ทำให้มีความรู้สึกวัณ า, าชอบใจไม่น่าชอบใจดังกล่าวนั้น ซึ่งความจริงแล้วลักษณะที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจดังกล่าวนั้นของรูปเหลียญเรีญรถโพธิ ภ, ภพทั้งหลายไม่มีแต่ว่าทุกคนนั้นย่อมติดอยู่ในมายา ของประสาททั้งหลายของวิสัยหรืออารมณ์ของประสาททั้งหลายทางร่างกายดังกล่าวนั้นกันอยู่โดยทั่วไปย่อมไม่ล่วงไปถึงสัจจะคือความจริงในข้อนี้จะยกตัวอย่าง ให้เห็นได้จากข้อหนึ่งคือความรู้ที่ได้ทางชิวหาประสาทประสาทลิ้นเป็นรสที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสไม่เผ็ดรสหวานรสขมรสเฟื่อน ต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆในเมื่อบริโภคอาหารแต่อันที่จริงนั้นรถต่างๆดังกล่าวนั้น ปรากฏอยู่แค่ลิ้นเท่านั้นที่บุคคลเมื่อบริโภคอาหารเคี้ยวอาหารลิ้นก็ทราบรสเหล่านี้แต่เมื่อเคี้ยวละอาหารและผ่านลิ้น เข้าไปแล้วรถเหล่านี้จะไม่ปรากฏเลยดังเมื่อผ่านลิ้นล่วงลำคอเข้าไปความรู้สึกในรถเหล่านี้หายไปหมดไม่มีให้รู้สึกว่าเปรี้ยวเค็มหวานขมอีกเลย เพราะฉะนั้นความรู้สึกในรสต่างๆดังกล่าวจึงอยู่แค่ลิ้นผ่านลิ้นไปแล้วก็หายหมดรูปที่เห็นทงางเกขยรูประสาทเป็นรูปพินาชอบใจห้างไม่น่าชอบใจบ้างก็เหมือนกันเมื่อผ่านเข้าไปแล้วก็หายหมดทางหูก็เหมือนกัน ทางจมูกก็เหมือนกันทางกายก็เหมือนกันประสาทเหล่านี้เองที่ทำให้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผพต่อพระน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างและความรู้ดังกล่าวนี้ก็เป็นมายา ไม่ใช่เป็นความรู้จริงคนทั้งหลายก็ติดอยู่ในมายานี้เท่านั้นมายาของตาหูจมูกเล่นกายใจของรูปเสียงกลินภภ่นรสผลพระธรรมะคือเรื่องราวและที่กล่าววานั้นห้าข้อขังตนยังไม่ได้กล่าวถึงข้อมโนคือใจ ใหกคู่กับธรรมะคือเรื่องราวแต่เมื่อยกขึ้นเป็นประสาทท่านก็แสดงไว้เพียงห้ามโนนั้นไม่แสดงว่าเป็นประสาทแต่อันที่จริงนั้นประสาทห้าขั้งตนจะปรากฏขึ้นได้กพต้องอาศัยมีมโน ข้อที่หกนี้ก็ประกอบอยู่ด้วยทุกข้อคือจะต้องมีใจนี่เขาประกอบด้วยจึงจะเป็นความรู้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นเป็นยกขึ้นแสดงเพยง5้า ข, ข้อข้างตน้นเอ่ออันที่จริงนั้นก็หกข้อนั่นแหละเมื่อบุคคลติดอยู่ในมายา ของประสาทท้งห้าของวิสัยคืออารมณ์ท้งห้าดังกล่าวนั้นจึงได้มีความหลงหยึดถืออยู่ในความรู้ทางประสาทเหล่านี้และในสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของความรู้นั้นคือมีความหลงเข้าใจผิดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพทธพะ นี้เป็นตัวเอาวิชาด้วยซึ่งนับว่าเป็นตัวต้นเดิมคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเมื่อไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงจึงมีโมหะคือความหลงคือเอาพิษ ทำให้คนทั้งหลายต้องขนขวายสร้างสแสวงหาและบริโภควิสัยหรืออารมณ์ที่หน้าปรารถนาพอใจเช่นตรงการรูปที่ น่าปรารถนาพอใจก็คือที่งดงามตรงการเสียงที่น่าปรารถนาพอใจคือที่ไพเราะตรงการกลิ่นที่น่าปรารถนาพอใจต้องการลถที่น่าปรารถนาพอใจต้องการพธพระสิ่งถูกต้องที่น่าปรารถนาพอใจ จึงได้สร้างได้แสวงหาโดยรวบรวมสิ่งเหล่านี้ที่น่าปรารถนาพอใจมาเพื่อบริโภคใช้สอยต่างๆโดยที่ไม่ได้นึกว่าทั้งหมดล้วนเป็นมายา คือไม่ใช่เป็นตัวความจริงฉะนั้นมายาทางประสาทของร่างกายดังกล่าวจึงเป็นมายาโลกอย่างหนึ่ง ที่ครอบงำโลกอยู่โดยทั่วไปทำให้มีสัยหรืออารมณ์ของมายาโลกเหล่านี้คือรูปเคลียนกลิ่นรสโผฏฐะพะดังกล่าวนั้นเป็นกามดังที่เรียกว่า การมคุณบ้างการมะคุณอารมณ์บ้างที่ครองใจสัตว์ต่วโลกทั้งหลายอยู่กันอยู่โดยทั่วไปและเมื่อกล่าวดังนี้จึงล่วงเข้ามาถึงมายาของจิตใจ